ตาม o n เควันน hmm. ี้เป็นวันที่หนงังเป็นี่สของงานการเดการอบรมทีนา มเป็นมีแล้วก็ทาวนเป็นอูปรกในการปฏิบัติธรรมเป็นสิน่งจำเป็นสำหรับี ก็เป็นสิที่พวกเราที่จะศึกษาและปฏิบัติใ น, น, ในขัวใจตามรับคำในทางตรากนาฬิที่เป็นคำพูดที่จะเป็นประวา จต่จงมันก็เป็นอาที่ที่พวกเราจะศึกษาที่จะปฏิบัตใใิในหัวใจในหลักธรรมที่แท้จริงขององคุติจาที่มันมีในทุกุคนทุกคน ไม่เป็นแต่ละคนนั่นเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดถ้าหากเราไม่ศึกษาแรืไม่ปฏิบัติให้เข้าใจในหลักของการปฏิบัติแล้วและการ ตัวการศืดมาใ น, ในธณนะที่พ ก, ก็เป็นชาวพุทธเราก็ได้ประกาศผู้ธี่าเป็นชาวพุธผู้ที่นับถือศาสนาถ้าหากเราไม่เข้าใจแจ่มแจ้งและไม่เข้าใจละเกียด จะไม่เข้าใจในลักของการปฏิบัติจริรงแล้วในการบวดในการเกิดมาในที่เรามีฐานะรับผิดชอบในตัวเองหรือรับผิดชอบต่อธรรมะอัน น, อออนั้นก็ะสดงว่า ว่าที่วันนี้ก็ไมในการเป็นชาวพุทธผู้ธี่เราพบผู้เจ้าประทับประสงค์การปฏิบัติธรรมะหรือการเรียนในศาสนาธรรมฐานนี้พวกเราคงจะเข้าใจนะรับว่ามันเป็นหัวใจที่ว่ามันเป็นการ ปฏิบัติสูงที่สุดในทางพุทธศาสนาการกระทำอย่างนี้หรือการปฏิบัติอย่างนี้นั้นมันเป็นแต่ทิ่งภายนอกมันจะมาทำให้จิตใจของเราไปลบความสุขหรือไม่มีความคุศ อย่างแท้จริงนั้นมันก็มีส่วนบ้างแต่ถ้าพูดตามหลักจริงๆแล้วถ้าหากเราไป ม, มาศึกษาในส่วนภายในจริงไม่มาปฏิบัติจริงๆและไม่มาจเจริญสสมาธิปัญญยาจยริงๆให้เกิดขึ้น ในส่วนที่เราจะได้รับนั้นมันอาจจะน้อยไปจะได้ในท้ายกลับของการเจริญสติแบบเปลือกไหลที่เรากำลังจะกระทํากันอยู่ในการปฏิบัติทีอว่าการเจริญสติ วิธีนี้เป็นวิธีลัดที่ว่าเป็นวิธีง่ายที่สุดสำหรับผู้จะปฏิบัติหรือผู้สนใจที่จ ะ, จะทำจริงจริงง่ายๆแล้วก็รัดลัดและก็ตรงด้วยว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติ ข้าทิ้งไอตัวในสภาวะที่ว่าตัวธรรมะที่แท้จริงที่มีอยู่ในคนทุกคนได้เพราะว่าการจะเรือนสติตามแนวของหลวงพเทียนหลวงพ่อใหญ่คุป็นต้นสักดิ์ ให้กำหนด ก, การเคลื่อนไหวแล้ว ก, การเรีก ล, ลุ่มทุกเหตุผลให้เรามีสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เรารูอาา้อยู่ทุกขณะในความรู้อยู่ทุกขณะนี่แหละมันจะมีปฏิบิณยาถ้าเรามีการกำหนดแลืถ้าเรามีการก รู้อยู่เสมอมันจะเป็นท้ายๆ ท, ที่เราปลูกต้นไม้ก็ได้อันนี้เป็นเป็นเป็นคำพูดเป็นตัวคูเทียบเทียบในการจะทํา เมื่อเรากำหนดความรู้สึกหรืจับอาการเคลื่อนไหวของร่างกายหยักหยาบในเรื่องแรกสำหรับคนใหม่คนที่ยังไม่เคยฝึกยังไม่เคยกระ ท, ทําก็ต้องจับอาการของการเคลื่อนไหวร่างกายภายนอกหยักหย า, ยาไปกดเพราะการปฏิบัติหรือว่าการศึกษาธรรมะ มันก็ต้องเริ่มต้นต้องมีการเริ่มต้นจากในสิ่งที่แยบยากไปก่อนแต่สิ่งที่แยากอยากภายนอกแอ่พายการตำรวจการขึ้นไปถ้าไม่มีสต่ีกำหนงรู้เบืองแรกให้ไปจั แล้วส่วนในจิใจในส่วนหนึ่งอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องรู้จะต้องเข้าใจในการปฏิบัติหรวในการเจริญสติแต่ที่ดีๆให้เข้าใจให้มันละเอียดจริงๆไม่น ใ, นใช่ว่าเข้าใจในฝังจากครูบาอาจารย์หรืออาจาร มังสีิรัติจากธรรมะตัณหาจิตจังาจมาจาก น, น, นีอในการปฏิบัติที้องให้รู้จริงให้เข้าใจจริงถ้าเข้าใจไม่จริงถ้าเรารู้ไม่จริงถ้าเรารู้ไม้แจ้มถ้าเรารู้ไม่แจ้งและการปฏิบัติหนเรื่องการเดินทางและการศึกษาธรรมะการเจริญ ส, ส, ส, ส, สติของเราอาจจะไม่เจ้าวหน้ากัน ถ้าเราศึกษาให้มันรู้จริงๆเข้าใจชัดจริงๆแล้วแล้วการปฏิบัติเรืยกว่าการเวทนามันอาจจะรีก็ได้ในการปฏิบัติจะบอกขัดแรกว่าอยากอยากให้เราเข้าใจให้มันละเอียด อันนี้มันเป็นหลักเบื่อตูตรสสำหรับผู้ใหม่ในต่อไปผู้ที่ปฏิบัติเข้าใจพอสมควรเข้าใจในการเคลื่อนไว้ทางกายต้องเคลื่อนไว้ทางจิตใจในสภาพภายในเป็นงความคิดเป็นงความคิด มันลึกเข้าไปอีกใน่องความคิดในเลืความนิยกคิดที่มันละเกียดเข้าไปอีกถ้าเราไม่พยายามจริงๆไม่เบียดจริงๆเราก็จะไม่รู้จักปฏิจจิตรญาณทางภายในสภาพความคิดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดสังคมเห็นทางจิต เราจะติดูจิตเล้กก็เอาจดูจิตถ้าเราอย่างไม่รู้ในภาพของความคิดภายในผู้ที่ดูความคิด้าทีของเรามันยังไม่กบูหรือว่าสาศีของเรามันยังเืออยู่มันก็มีบางครั้งบา ง, บางนนะ บางคั้งบางัราวอาจจะลืมไปก็ได้อันนี้มันก็เป็นธรมรมดาในการศึกษาธรรมะวิธีนี้การปฏิบัติธรรมะวิธีนี้ในผมเคยประสบการณ์ในการปฏิบัติหรือประสบการณ์ในการ แน่งสติวิธีนี้ใหผมมั่นใจในแนวการมั่นใจในวิธีการหนักการของการเจริญสติวิธีที่จริงเพราะว่าวิธีอื่นหรือว่าการปฏิบัติจากอื่ผมไม่ ได้ศึกษาแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติมาก่อนไปศึกษาแล้วปฏิบัติวิธีนี้เป็ีนี้ไดีแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้เจริญสติจริงๆนั้น สามารถที่จะทําลายไอสิ่งที่เป็นอยู่หรือสิ่งที่มีอยู่ในตัวของคนทุกคนได้จริงๆถ้าหากเราจะเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติหรือเอาจริงในกันในการกาทําของตัวเองเราต้องพุ่งเทจริงๆเราจะทํานินี้น่นอยๆเรยจะทำ แต่ขอไปทีอันนี้มันอาจจะมีจริงก็ได้เราต้องเสียสลยจริงๆผู้ที่ชีวิตจริงๆมันจริงจะเข้าใจจริงๆแต่เราก็ต้องกล้าที่จะเสียสละในการกระทำของตัวเองเป็นตัวกล้า มันก็อาจจะไปถึงจุดหรือมันก็อาจจะเข้าใจในตัวเองให้ดิที่สุดได้เพราะวิธีการอันนี้มันเป็นวิธีการสี่ ใหม่ก็ได้เป็นวิธีการใหม่ก็เป็นวิธีการขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้กําลังจะติงตัวจะได้แต่แท้จริงมันก็ไม่ได้ใหม่มันก็ไม่ได้เก่าเลยมันก็เป็นจริงที่มีแล้วก็ได้แต่ยางขาดผู้ที่ รู้อย่างขาดทุนที่ใ้ศึกษาให้เข้าใจที่จะมาอบรมหรือให้พอคิดหรือแนะวิธีการให้เราเข้าไปถึงในตัวมันจริงๆอย่างนี้ก็ได้เพราะว่ามี รู้สึกว่าชาวคุทธของเรากำลังจะหันเข้ามาในศึกษาธรรมะวิธีการนี้แตบบ่นี้กระพอ้นสุขวัลที่ิสุเป็สมณะในส่วนมากทางภาคอีสาน รสึกว่าปฏิติตัวกันนี้มากมีการเลือดไว้ในการที่จะปฏิบัติธรรมมากันพอสมควรแล้วก็ทํางาติด้วยปฏิบัติทำวมกัน เป็นตุ้เป็นคณะแล้วก็เปิดการอบรมบางที่บางแห่งก็มีญาติโสนใจสองสามร้อยะมีนร้อยกว่าสองร้อยนี่ก็มีรู้สึกว่าทางเอกสารนี่มันคล้ายๆก็มีบางสิ่บางอย่างกดดันที่ว่ามันมีบางสิ่บางอย่างทำให้ พลาวา่ใาในขั้นสุสัมมณีสนใจในธรรมะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกก็ได้เพราะคนทางอีสานคนทางกินโนนมันแต่าเรื่องอะไรหลายๆอย่างติดแบบก็ผักดัน ให้หันเข้าหาธัรมะให้หันเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงค์อย่างแท้จริงล ห, หลับของการปฏิบัติอันนี้ก็ได้แต่ผมเคยไปห ล, ยหลายที่ห ล, หลายแห่งก็เคยไปประสบการเคยไป เห็นบ้างแต่บางที่เขาจะเป็นหมดคนใจกันดีหรือสิ่งตัวกันดีแต่บางที่แตบางแห่งก็มีน้อยนี้เขาเป็นธรรมดาแต่มีมากจะมีน้อยอันนี้ไม่เป็นปัญหาแต่สำคัญให้เราทําจริงๆริงให้เราปฏิบัติจริงๆสนใจกันจริงๆมีมากบางที่กิดคุณภาพแบบนี้ก็ได้ อาจจะมีปริมาณมาได้ท้ายๆตัเมืองไทยของเราเป็นเหมือนพุดเรามีพระที่สู่สรรมนีกันกันเยอะแล้วก็มีวัดวกันผู้อธิการศึกษาธรรมมาพิวการปฏิบัติ เรายังไม่เข้าใจอันนี้ก็แสดงว่ามีามมมแต่คุณภาพไม่มีมีแต่ปริมาณคุณภาพไม่มีถ้าเราจะเอาปริมาณไปเอาคุณภาพเป่จริงๆมีน้อยก็ดีกว่าที่มีแต่ปริมาณทำประโยชน์ไล้ไม่ได้ ในสู้ที่มีน้อยก็ได้อันนี้ก็ได้แต่ให้ขอาการปฏิบัติของพวกเราคนจันทร์ที่กำลังทําสนอยูในสถานีตรงเหมือนกันอย่างไงยังไรเราก็ได้เปิดการถกโลงอย่างไรอย่างไรเราก็ได้ดที่จะทํากันแล้วเราก็ทําให้มันถึงที่สุด ทำให้มันจบผู้ที่มีเวลามาปฏิบัติในตะวันตกจะไยในวัดผู้ที่จะปฏิบัติจริงๆวิจารณ์เอากริงเอาจังทดสอบวิธีการแบบนี้เคยทำอย่างอื่นมาแล้วเราอยากจะศึกษาวิธีแบบที่เราลงเราจะเอาจรินเอาจังทดสอบลอง ไปยินพูดไปยิงคนอื่นแสดงไอ้เรื่อสภาพภายในของตัวหิงมันยังรับไม่ได้ไอ้มันยังมีการทัดเรียงมีการแยงเราอยากจะทับดูดูทดลองแตย่งนี้ก็ดีเหมือนกัน ว่ามันจะเป็นจริงที่มันจะเป็นยังไงให้เราตรวจสอบตัวของเราเองได้เราทำอย่างอื่นอาจจะไม่เข้าใจแจ็แจ้งหรืออาจจะไม่เข้าใจโบบานทีเรามาปฏิบัติวิทีนี้เราอาจจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่มันมอยู่ในเรา ใช่ไหมจะไปเข้าใจยากที่ที่ว่าการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมเกี่ยวาการปฏิบัติขมงเองการปฏิบัติศาสนามันครบหมดเลยเราจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจริงๆในตัวเรามันจะทำให้เราหายสงสัยในการเดินทางและก็หายสงสัยในการ ปฏิบัติหรือว่าปฏิบัติทาอะไรทุกอย่างในตัวเราถ้าเขาเจริญสติแบบนี้แบบหลเคลื่อนไห้แบบปัจจางแหวาแบบประเดชสมบูรณ์ที่จริงๆหายสงสัยจริงๆในคำสอนในทางพูดส า, ร, า 8, 4, ระแปลกหนึ่งี่มันพรทมาขัดเนี่ย เราไม่ได้จะเรียน จ, จากกีจากาจริงๆให้เราร ท, ทัางใจทำวิธีนี้จริงๆเราจะหายสงสัยได้หายสงสัยหมดจริงแต้ผมไม้กล้าได้ยินจากได้ในวิธีการปฏิบัติเนี่ยสำคัญเราจะเป็นคนลืมตัว ให้เราดีสติเราจะผิดนุดหลงเราจะมีนคนุประมาณแค่นี้พอไม่ต้องไปศึกษาอย่างอื่รู้อย่างอื่นนี่มันมากไม่พูดได้พูดไม่ได้อันนี้ไม่สำคัญใน่ําคัน ก, การกรรทำใ้ตัวการกระทานี่ เป็นตัวการที่สคัญที่สุดเป็นการที่จะสูจว่าอะไรเป็นอะไรให้มันเห็นผลระไว้จริงๆในแต่การกู้หรือว่การในแต่จดงการให้ก่อชีพบางท่านบังนาบก็จำเป็นเป็นการแม้ที่เ็นการขี้เป็นการบาะวิธีเดินอันนี้มันเป็นจริงจำเป็นในเรื่องอการ ปฏิบัตินี ีวิตไม่เห็นจิตไม่เห็นใจของเราจริงๆนั่นแหละเป็นสาเหตุที่มันทำให้เราได้รับความคุกหละมันยังทำให้เรางอ้่ได้ถ้าเราศ <สา S 1> ึกษาธรรมะจริงๆจะเหลือศสรีจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันมันจะไม่ดีแลมัน มันจะหายในเลยมันจะหมดหรืว่าการปฏิบัตินี้อาปฏิบัติให้มันหมดไปทีเดียแต่มันมันจะหมดของมันเองมันมีหน้าที่ของมันเองเราไม่มีความต้องการที่จะให้มันหมดที่จะให้มันชิ้นไปเรามีหน้าที่เดินทางอย่างเดียวถ้าเรกเดินทางให้มันถูกถ้าเราเดินทางให้มันตรงแล้วมันจะเถึงของมันเองแต่บางคนปฏิบัติธรรมะ แล้วเรอยากจะมันเป็นหรืออยากจะเป็นอะไรหลายอยา่อางอักดันแต่จริงแล้วทําำมาให้ได้เป็นอะไรแต่เรามีหน้าที่เดินก็เดินไปอันนั้นเป็นหน้าที่ของของเแต่สิงนั้นที่มันจะเกิดแรือสิ่งนั้นที่มันจะเป็นเป็นหน้าที่ของมันสงบ เช้าวันนี้ที่ผมจะสนมาใต่ปูในพ่อจิตในบางกิจวาตรกอกินดีกัสมควรที่เวลาที่กูจะคอยจบในการกู้ว่าการใน้่อจิตไว้เฉียงแท้เี